สิ่งที่ให้อ่านอยู่เพียงไม่กี่อย่างนะค่อยสามอย่างที่เราอ่านกันซึ่งเป็นโครงสร้างหลักๆมีอยู่สามอารมณ์อารมณ์ที่มันชอบอารมณ์ที่ไม่ชอบและอารมณ์ที่ยังไม่ใส่ใจโดยเฉพาะอารมณ์ชอบไม่ชอบเนี่ยมาเป็นบางครั้งบางคราวนะแต่อารมณ์ที่ไม่ใส่ใจที่จะรู้นะ เพราะว่าความชอบหรือไม่ชอบมันเกิดขึ้นมันทำให้เรารู้แต่ว่าเราจะรู้แล้วเราจะเข้าไปในมันหรือออกมาจากมันเท่านั้นเองแต่อารมณ์ตัวหนึ่งที่รู้ยากคืออารมณ์ที่เราไม่ได้ใส่ใจคือไม่ใส่ใจที่จะรู้เท่นเตัวนี้สำคัญแต่เป็นต้นตอของที่จะทำให้เกิด ความคิดนําไปสู่ชอบไม่ชอบได้นั้นก็จึงอยากจะให้เราได้พยายามอ่านตั้งแต่ตื่นนอนนะกันเกิดสลับกันดับไปเรื่อยๆตามลำดนะับแต่และเรื่องแต่และเรื่องแต่แเรื่องไปเรื่องของกายกับเรื่องของจิตนะสองอย่างนะึงแต่ก็มันมีอยู่สามเรื่องแต่เกิดอยู่สองที่เกิดในกายในใจแต่มีอยู่สามเรื่อง เรื่องที่เราชอบเรื่องที่เราไม่ชอบเรื่องที่เราไม่รู้แต่ถ้าหากว่าเราเอาใจใส่ที่จะรู้มันก็ไม่ยากเพียงแต่ว่าดูไปนะระหว่างสิ่งที่เราชอบกับไม่ชอบนี่มันก็มาจากต้นต่อเดียวกันความมันเกิดชอบเย้ยก่อนความไม่ชอบก็ตามมาทีหลังถ้าไม่มีความชอบความไม่ชอบมันก็ไม่มี นะเหมือนไม้กระดานหกที่เด็กมันเล่นกันนะนะนั่งคนละข้างข้างหนึ่งขึ้นข้างหนึ่งลงข้างหนึ่งลงข้างหนึ่งขึ้นแต่ข้างชอบตกลงข้างไม่ชอบไปยกขึ้นข้างไม่ชอบตกลงข้างชอบกว่ายกขึ้นแต่ตัวที่ทำให้ทั้งสองตัวนี้มันยังเด้งไปเด้งมาได้ก็มันมีตัวกลางตัวนี้เขาเรียกว่าตัวไม่รู้ แต่ถ้าเราถอดตัวกลางออกเนี่ยกระดานมาเด้งกระดานมาเด้งไม่ได้นึกภาพออกไหมไม่กระเดือ่องใช่ไหมเหยียบข้างนี้ข้งนั้นขึ้นหรือกระเดื่องก็ได้ที่เราเหยียบตำข้าวเพราะฉะนั้นในตัวชอบหรือไม่ชอบมันก็เลยเป็นมีตัวทำให้มันเกิดเหยียบลงสมัยเป็นเด็กนะฮะสมัยเป็นเด็กก็ชอบเล่น ทนะีนี้ถ้าหากว่าเราไม่จัดการตัวกลางนะไอตัวชอบไม่ชอบมันยังทํางานได้อยู่ะนั่นะเราถอยสลักกลางออกไอตัวไม้กระดานก็วางอยู่บนพื้นนะมันไม่กระดกขึ้นกระดกลงเป็นอะไร น, น, นี้นั่นไอตัวตัวกลางของเราคือตัวไม่เห็นไม่รู้เนะะี่ย มันมีชอบไม่ชอบเราก็ไม่รู้ใช่ไหมทีนี้เราไปถอดตัวไม่รู้ออกเสียเนี่ยตัวชอบก็ไม่ชอบก็ไม่มีตัวตัววางนะครับไม้กระดานนึกภาพไม้กระดานมันมีตัววางคือตัวกลางนั้นตลอดเวลาที่เราปฏิบัติต้องการที่เอาตัวไม่รู้ออกพอดึงตัวไม่รู้ออกเสียได้เนี่ยตัวชอบไม่ชอบตัวรักตัวชังตัวดีตัวชั่วตัวถูกตัวผิด ตัวนรกตัวสวรรค์ตัวนิพพานตัวสังสารวัตมันก็ไม่ต้องมีล่ะเพราะมันไม่มีตัวไม่รู้เพรานั้นถอดตัวไม่รู้ออกดังนั้นที่เราทํำตลอดเวลาเป้าหมายคือให้ให้รู้ตัวให้เกิดตัวรู้เพราะเกิดตัวรู้หมายความว่ากระดานมันก็จะตกลงไปพอตัวไม่รู้เกิดขึ้นกระดานนี้ก็เด้งขึ้นอีกแต่ไม่ใช่กระดานไอ้ตัวคานขานกลาง แต่ว่าคนก็ชอบเล่นนะ่ะเช่นของของทางนีนะอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเปรียบเทียบสมัยเราเป็นเด็กก็เคยเล่นชิงช้าใช่ไหมโยนขึ้นด้านนี้นะถ้ามันไม่มีขึ้นไม่ลงนะ่ะมันก็เล่นไม่สนุกใช่ไหมเพราะนั้นโลกทั้งหลายก็สนุกกระเพราะการเล่นชิงช้าชีวิตการไม่กระเดืงชีวิตนะแต่พระอริยเจ้าท่านเห็นว่ามันน่าเหนื่อยนะกระดูกขึ้นก็เหนื่อยกระดูกลงก็เผลอไม่ได้นะเผลอก็ตก ไม่กระดือแขนนัะครับใสมัยสมัยเป็นเด็กผมถูกจับผู้ใหญ่จับขึ้นจริงชาแล้วโอ้โหโยนขึ้นสูงเรากลัวก็สนุกนะพอเล่นเป็นกระสือในโลกก็ชอบอย่างเงี้ยชอบเล่นกระลักกระชังชอบเช่นกันมีกับจนชอบเล่นกระถูกกับผิดช่ำเล็ดกับเขากับเราอยู่งันแแต่พระเจ้าท่านเห็นว่ามันเหนื่อยหนักเป็นภาระ ชีวิตเป็นภาละแต่แรกสมัยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็เล่นชอบไม่ชอบกับเพื่อนเราแต่มาพอเล่นจนมีทาตุญาตให้เกิดความชอบไม่ชอบเราก็มาชอบเล่นชอบไม่ชอบกับลูกกับหลานกับเหรนไปเรื่อยๆแหละแต่ละเวลามนุษย์ก็จะเล่นอยู่กับความของคู่นั่นแะละ ผมเคยลำดับอันนี้เรื่องเล่ากันฟังเ ล, เล่นๆนะเคยลำดับว่าไอชื่อของเดือนสิบสองเนี่ยตั้งแต่มกราถึงธันวานะผมก็เอ๊ะทาไมเขาชื่อสัตว์เหล่านี้มาตั้งมันยังมีคนอยู่สองเดือนแค่นั้นเดือนไหนในสิบสองเดือนเน่ยมีคนอยู่สองเดือนนอกกนั้นเป็นสัตว์สิ่งของหมดเลย มกระลาสัตว์ไหมมกระลาคือเดินอะไรเดินมังกรใช่ั้ยเดินมังกรกุมภาล่ะเดินอะไรเดนนจระเข้ใช่ไกุมภามีนาล่ะเดินอะไรเดนปลาเมษาเดินแพใช่ไนมแล้วพุภธพาเดินวัวแล้วมิถุนา อ่านี่แหละคนละคนคู่ใช่ไ้ยคนผู้หญิงผู้ชายมิถุนาแล้วก็กรกดาษอะไร<ม>เดอนปูไอสิงหาที่บอกตรงๆนะเดอนไลออนนะเด่นสิงโตแล้วเรื่องกัญญา<ม>กัญญาเดอนอะไรฮ<ม>ะ กินสงสัยไม่มีใคาได้พ้เดินกันญานยโยมได้ไหมเดินกันยาฮะฮะสาวภูมจันสาวภูมจันตุลาละ่ะตาช่างสารสารตุลาแล้วก็พุทิกาเมืองป่องธันวาธนู เห็นไหมมีสิ่งของอยู่เอ๊ะตุลาเนี่ยมันเป็นหมายถึงศารตุลาการหรือตาช่งางฮะเขาจะหมายถึงตาช่างหรือตุลาคนฟุ้ยภากษาตุลาเนี่ยน่าจะเป็นคนมากกว่าไหมความเที่ยงตรงมันเป็นนามธรรมนะเที่ยงตรงมันมีเองไม่ได้ต้องคนจัดการมันเพราะฉะนั้นคนจริงถ้าสมมติว่าตุลาหมายถึงตาช่าง ท่านวา่าหมายถึงท่านูสรุปแล้วในสิบสองเดือนมีคนอยู่แค่สองเดือนคือเดือนเมถุนกับเดือนกันยาในโลกเนี่ยมันก็มีคนอยู่สองคนคนที่ชอบอิสระและคนที่ไม่ชอบอิสระคนชอบอิสระคือหมายถึงคนประเภทภูมิจันได้แก่เดือนกันยาคนที่ไม่ชอบอิสระต้องการมีคู่ต้องการมีเพื่อนก็คือเดือน เดินมิถุน น, น, นะฮะเดนเมถุนนะะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็ชอบที่จะเล่นอยู่ขอบสิ่งคู่ของคู่นะดีชั่วถูกผิดหญิงชายอยู่งั้นนะ่ะสนุกโลกไม่นสนุกอยู่กับของคู่อย่างเงี้ยเขาเรียกเดินเมถุนแต่คนหนึ่งไม่ชอบ ก็อยู่คนเดียวน่าจะสบายกว่าเลอออกจากความเป็นคู่ออกมาไปอยู่คนเดียวเรียกว่าพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์คือเดิอนกันยาคู้ประพฤติพรหมจรรย์ทำไมพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าราศีของคนนะทั้งสิบสองทั้งสิบสองเดือนเนะี่ยมันคือจะวนอยู่แค่เนี้ยคืออยา 6, อยัดนะหกอายัดนะภายในหกอย า, ายัดธนาไปนอกหกก็วนอยู่ของคู่เงี้ยจับคู่กันตาคู่กับหู ตาคู่กับรูปเสียงคู่กับหูจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่สัมผัสจิตคู่กับอารมณ์เนะี่ยก็ก็มีอยู่แค่นี้มีเราสองข้างดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องทำตัวตัดสินให้ปรากฏนะตัดสินว่าเราจะเป็นอยู่จิตชัยชอบจิตเดียวหรือจิตคู่ ถ้าจิตคู่มีการปรุงแต่งแน่นอนนะใช่ไจิตมีอารมณ์คู่มีอดีตอนาคตมาเป็นตัวปรุงแต่งถ้าจิตเป็นอารมณ์เดียวคือจิตหมายถึงจิตอะไรจิตปัจจุบันจิตที่เป็นพรหมจรรย์คือจิตปัจจุบันทุกครั้งที่จิตเข้าสู่ปัจจุบันก็จิตเขาสู่พรหมจรรย์นั่นคือตัวกัญญานอกกนั้นเป็น สิงสาราสัตว์หมดนันนะตั้งแต่มังกรไปต้นไปไปถึง่ธนูนั้นเองอันนี้ในส่วนการบัญญัติสมมติต่างๆที่ไม่ใช้ในมนุษย์เนี่ยแต่ว่าเวลาเอาไปใช้สิบสองราศีแบบเดือนไทยไม่ใช้มกระลากุมภพาไม่ใช่อะไรเชวดหนูฉรูห <ś led> <ś led> ัว <ś led> ขานเสือเถาะกระต่ายไปนู่นเลย ราศีสิบสองราศีของไทยเอามาใช้นี่เป็นภาษาคือของเวียดนามทั้งหมดนะที่ตั้งม า, าสิบสองราศีเวียดนามกาหนดสิบทอามาจากจีนว่าคนที่ปีเถาะมีลักษณะอาการอย่างนี้คนปีทําลายลักษณะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นสมมุติบัญญัติที่ต้องการที่จะบอกถึงสมมติของคนเอามาใชเ้เวียนอยู่ในดวงไปตามดวงไปตามดวงดาว พุทธเจ้าบอกมันไม่แน่นอนนะให้มาอยู่ดวงใจนะมาหาดวงใจอย่าไปให้มันอยู่กับดวงดาวคืออย่าให้จิตเนี่ยโคจรไปกับสังขารมันไม่นอนเป็นดวงดาวโคจรไปเรื่อยแต่กลับมาอยู่ดวงใจของเราเนี่ยดวงจิตดวงจิตตรงใจของเราที่มนันคือตัวรู้เนี่ยนะให้มันอยู่กับตัวรู้นั้น สมมติอะไรหลายอย่างที่เขาบัญญัติขึ้นมาเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับตัวสัญลักษณ์ของเศรธรรมทั้งนั้นนะนะถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องนี้อ่านไปมันมันมันเห็นลึกละเอียดเข้าไปลึกละเอียดเข้าไปเพราะฉะนั้นเฉพาะอ่านความรู้สึกนู้เองมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันมันจะเห็นอะไรลึกไปเรื่อยเรื่อ ย, อยแต่ถ้าเราไม่ยอมอ่านมันเลยเนี่ยไอ้มิติที่ละเอียดที่ลึกกว่านั้นเราก็จะไม่รู้ล่ะมันจะตีบจะตันจะตื้ออย่างนั้นแหละ มีแต่ข้อสงสัยทั้งๆที่จิตมันสงบนะแต่สงบแล้วมันสงบด้วยความสงสัยแล้วก็อยากจะให้วันสงบเนี่ยอยู่ตลอดไปเวลามันหายไปแล้วก็สงสัยเอ๊ะมันหายไปไหนเมื่อคืนยังดีๆอยู่เลยไม่เ ด, ด, ดี้มันหายไปแล้วเมื่อคื้ได้อารมณ์ดีๆอยู่มันหายไปแล้วนี่ยแล้วก็เต็มไปด้วยความสงสัยแต่พอเรามาสร้างตัวตัวรู้คืออ่านรู้ในที่นี้หมรู้ถึงจากการอ่านนะครับคนไม่อ่านก็จะไม่รู้เหมือนคน อ่านออกเขียนได้ถ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอ่านอารมณ์ของเราออกมีอยู่แต่ถ้าสมมุติเราไม่ดวงไม่ได้ดวงตาเสียก่อนเราก็อ่านไม่ออกหรือได้ดวงตาแล้วแต่ว่าเราไม่มีแสงสว่างก็อ่านมาออกเราเอาหนังสือมาอ่านในที่มืดดีแต่ก็ไม่อ่านได้หมือนน่ะเหมือนกันการที่เราจะอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นหมายถึงว่าเราจะต้อง ได้ดวงตาได้แสงสว่างดวงตาแสงสว่างมาคู่กันปัญญากับสติมาคู่กันเนี่ยแสงสว่างตามที่บอกล้วมีสองชนิดหนึ่งแสงสว่างประเภทอารวมโฟกัสเหมือนไฟฉายสองแสงสว่างประเภทเปิดหน้าแบบไฟเนออนเนี่ยไม่มีโฟกัสอันนี้ก็แสงสว่างแบบทั่วเพราะฉะนั้นตัวแสงสว่าง ทั้งสองระดับคือสติและสติคือแสงสว่างเจาะเฉพาะสัมผัสยสว่างทั่วนะแต่ถ้าแสงสว่างที่โฟกัสแคบลงไปอีกแทนที่จะกว้างออกนะก็เรียกว่าเป็นสมาธินะเวลาเราหมุนนะใช่หมหมุนหน้าเล่นไปฉายหมุนนั้นมันแคบแคบแคบเข้ามาจน เป็นไฟใช้แบบที่เขาส่องบนโปรเจคเตอร์เป็นจุดเล็กๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิโฟกัสเข้าไปอีกก็รวมเข้ามาจากตัวสติเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยจะเป็นสมาธิก็ได้เป็นสัมปชัญญะก็ได้แต่ถ้าโฟกัสรีบเข้ามาแคบเข้ามาเป็นสมาธิและโฟกัสกว้างออกไปเป็นสัมปชัญญะแม้พบว่า ตัวรู้ของเราเนี่ยถ้ารู้จุดเฉพาะจุดเพ่งจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเป็นสมาธิแต่ถ้าดูกว้างๆรู้สึกตัวุ่มพร้อมเป็นสัมปชัญญะตัวสัมปชัญญะนี่เองถึงจะเป็นสมาสมาธิแต่ว่าตัวสมาธิที่เพ่งเข้ามาแคบเขเหมือนกับโฟกัสไปฉายเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นมิจฉาสมาธิได้เพราะมันไปเพ่งนะดังนั้ น, น, นเวลาเราปฏิบัติการอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ ก็จะใช้ตัวเองเป็นเหมือนกับอ่านหนังสือแล้อ่านหนังสือออกแล้วก็ใช้หนังสือตัวนั้นเป็นหมายถึงว่าเราจะเอาความรู้ในหนังสือไปใช้ได้เพราะนั้นตั้งแต่หัวจุดเท้าของเราเนี่ยก็อ่านตัวหนังสือที่ทไม่มีหน้าหนังสือที่ไม่มีตัวหนังสือหนังสือที่ตัวร่างกายเนี่ยมันเป็นหนังสือที่ไม่มีตัวหนังสือ แต่จิตของเรานี่คือตัวหนังสื อ, อสมุดเนี่ยที่ยังไม่ได้เขียนเนี่ยก็คือรูปนามพอเขียนหนังสือลงไปปับ๊บมันเป็นนามรูปอ่านออกแล้วเป็นนามรูปเราก็อ่านด้วยนามรูปแล้เพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเป็นผู้เขียนเราก็ต้องการสมุดเปล่าที่ไม่ต้องมีตัวหนังสือถ้าเราเป็นผู้อ่านเราก็ต้องมี ตัวหนังสือนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นผู้เขียนก็ได้เป็นผู้อ่านก็ไดนะ้ถ้าไม่ได้อ่านจนเขียนได้นั่นหมายเขาว่าเราสร้างตัวหนังสือของเราเองก็คือตัวปัญญาอ่านออกเขียนได้หมายถึงตัวปัญญานะนั้นเองมันไม่มีอะไรที่ไม่น่าอ่านในกายในใจของเราเนี่ย อาการอ่านดูสีภาษานะฮะภาษากายภาษาเวทนาภาษาจิตและภาษาอารมณ์ในภาษากายเนี่ยท่านแยกออกมาออกมาเป็นหกภาษาหกภาษาอะไรบ้างภาษาของลมหายใจเรียกว่าอนาปนาสติภาษาของเรียบทีเรียกว่า ยืนเดินนั่งนอนภาษาของอริบทย่อยภาษาของธาตุสี่ภาษาของอาการสามสิบสองภาษาของปฏิกูระหรือสิ่งสกรกอสุภาเนี่ยในในภาษากายท่านให้อ่านในหกเป็นหกภาษาภาษาของเวทนาท่านให้อ่านสามภาษาคือภาษาความชอบภาษาไม่ชอบและภาษาอย่างไม่แน่ นะที่ได้กล่าวไปจิตก็มีสามภาษาหลักๆแต่ว่าสิบหกภาษาเยอ่อยๆสามภาษาหลักคืออ่านจิตที่เป็นจิตดีที่เป็นกุศลจิตไม่ดีที่เป็นอกุศลแล้วก็จิตที่ยังไม่แน่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลนี่ภาษาย่อมันแต่แยกไป็นสิบหก ตั้งแต่ร ะ, ระสาระคังวาจิตตังสาราคัางจิตตันติประชาทิติวีตะราคังวาจิตตังวิตะราคังจิตตันติประชานาติจะไปถึงวิมุตตังวาจิตตังวิมุตตันติประชานาติะตาตตนตะสิบหกภาษาเฉพาะเรื่องจิตอันนี้ไม่ต้องไปจําก็ได้นะแต่หมายถึงว่าที่ก็สวดทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องไกลแล้วก็มามาสวดอยู่แต่วันนี้เราไม่ได้สวด น, นะ แล้วก็อารมณ์มีเยอะอารมณ์มีเยอะเพื่อนมีตัวอาจาะณนะสิบสองมีขันห้าอายตนะิบสองท่าสิบแปดอินซียี่สองริมักมีองแปดภาษาของอารมณ์ดังนั้นเราก็อ่านแค่หลักๆแค่แค่สามตัวนะ ตัวพอใจไม่พอใจตัวไม่แน่ใจสามตัวเนี่ยถ้าเราอ่านที่สามตัวนี้ออกก็อย่างอื่นก็อ่านทะลุหมดนะเพราะว่ามันเป็นตัวตัวกุญแจตัวเนี้ยถ้าเราอ่านที่สบายไม่สบายไม่ทันก็ามาอ่านที่พอใจไม่พอใจแล้วก็ไม่แน่ใจนี่แหละเพี้ยนพระอริยเจา้าท่านท่านไม่มีความทุกข์เพราะท่าน อ่านตัวเองต่อเวลาเพราะอ่านตัวเองมันก็จะไม่สับสนแต่ถ้าเราไปอ่านข้างนอกถ้าอ่านตัวเองไม่ออกไปอ่านข้างนอกนี่ท่านบอกว่าตาเราก็จะเสียล่ะตาบอดสีอ่านอย่างหนึ่งอ่านของที่เป็นนิจังอ่านเป็นอนิจของเป็นอานิจังอ่านแล้วมันเป็นนิจังของเป็นทุกครั้งอ่านเป็นสุขขัง ของเป็นอนัตตาอ่านเป็นอัตตาอย่างนี่ยเขาเรียกว่าสายตามันวิปริตอนะคนทั่วไปอ่านแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นนะไม่อยากจะอ่านในส่วนที่เราไม่ชอบอ่านในส่วนที่เราชอบคนจริงหนังสือหลักวิชาการเป็นสือที่เราไม่ชอบอ่านแต่เราต้องอ่านแต่หนังสือนิยายเนี่ยเราชอบอ่านแต่มันมันก็ไม่จําเป็นเขาไม่มได้นําไปสอบนะ ให้เปอ่านหนังสือหลักวิชาการเหมือนกันเราเขาชอบไปอารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจแล้วเขไม่อยากเข้าไปอ่านด้วยไม่อยากเข้าไปเล่นด้วยเพราะนั้นเราสามารถอ่านตัวเองได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับอะ่ะแต่ถ้าหากว่าเรายังแสงสว่างยังไม่พอตัวรู้สึกตัวที่เรายกเนี่ยโดยสร้างเนี่ยยังไม่พอ อ่านก็ไม่ออกบอกก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นเห็นก็ไม่ชัดตาก็ยังไม่สว่างนะนั้นการทำความเพียรเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เพิ่มแสงสว่างแต่ก็ไม่ใช่ไว่าไปเพิ่มตอนที่เราทำในอีเดียบทเท่านั้นนะต้องเพิ่มตลอดเวลาผมพูดถึงแบตเตอรี่มีสองประเภทหนึ่งแบตเตอรี่ที่ไฟหมดแล้วก็มาเสียบชาร์จใหม่ สองแบตเตอรี่ที่เขาเรียกอะไรติดออโ ต, ชช <laughs> ตออ้ชาร์จใช่มแบตเอรี่รถยนต์เมื่อไรไมื่อไรหัวชาร์จไดโอดไม่ทํางานก็ชาร์จไม่เข้าอะนะอันนี้เขาเพราะนั้นเราต้องเป็นประเภทแบตเตอรี่ชาร์จหมายความว่าใช้ไปชาร์จไปไม่ใช่ใช้จนหมดแบตแล้วก็มาชาร์จทีหลังไม่ทันการเลครับนะนะ หมายความว่าเราใช่ไปก็รู้สึกตัวไปใช่ไปรู้สึกตัวไปใช่ไปรู้สึกตัวไปใช้ไปชัดไป <c oughs> แต่รถของท่านยังไม่ได้ <c oughs> เพระเพจนี้เอาแบตเตอรี่ออกอย่างนั้นไม่มี <c oughs> บางทีก็ใช้จนหมดแล้วเนาะไ ด, ไ ด, ได้ได้มาปั๊มกันเราผมดูแลชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากนะครับสำหรับคนที่ยังอ่านไม่ออกนะ่าน่าเสียดายนะเพราะฉะนั้นรีบอ่านให้ออกนะรีบอ่านชีวิตให้ออกถ้าอ่านตัวเองออกเนี่ยอ่านคนอื่นออกไหม ก็หมายควมว่ารูน้ํามันเป็นสัญญาณแรกที่ที่ที่ตามันเริ่มอองยากอ่ะรูปน้ำนี่หมายถึงรูปน้ำนี่หมายถึงว่าเริ่มชาัดไฟฉายเป็นนะมันต้องเปิดอ่ะอ่มันต้องเปิดประตูตรงนี้ให้ได้ก่อนที่อยู่กับโลกกับน้ำก็ยังไม่รู้ว่าอยู่กับโมันยังไม่มีแสงสว่างแต่ปัญญามีอยู่นะแต่ไม่มีแสงสว่างเพราะนั้นเรื่องนี้อยากที่จะให้ ทุกคนเนี่ยช่วยกันพิจารณาเอ๊ะทาไมเราถึงจะอ่านตัวเองได้ตลอดเวลาแต่ที่ไม่อยากอ่านเพราะว่ามันไม่มีแสงสว่างมไม่มีไปใช้นะมัม่สนุมันไม่สนุกหรือบางทีมีแสงสว่างแต่นิทานไม่สนุกไม่อยากอ่านจะจับแล้วก็วางเราเป็นเลือกหนังสือในร้านหนังสือมีหนังสือเป็นไม่รู้กี่ยี่ห้อนะแต่ไม่ถูกใจสักเล่มหนึ่งเพราะเราเลือกแต่งานที่เราชอบอเหมือนกันการอ่านตัวเองที่จะ นำให้เกิดสติปัญญาเนี่ยเราไม่อยากอ่านจะอ่านตัวเองตอนไหนอ่านตอนกินอาหารอร่อยอาหารอะไรอ่านเดิมที่เลยแค่นี้ไม่ได้อ่านลุยเลยไม่ได้เสพเลยอ่านอ่านเจอภาพก็ไปภาพที่เราชอบชอบไปอ่านกลิ่นเท่มหอมเจีวมูกอรรถอร่อยกายสัผัสดีๆก็จะไปชอบอันนั้นแหละเพราะฉะนั้น การปฏิบัตินี่มันมีอันนี้สงมหาศารมันอ่านตัวเองอ่าถ้าอ่านตัวเองจบถ้าเรียกว่าเสอาเสขาบุคคลนะแต่อ่านยังไม่จบคือเรียกว่าเสขาบุคคลเพราะฉะนั้ น, นาการพุทธศาสนาท่านแบ่งคนแค่สองประเภทประเภทเสขากับไอเสขะเสขาบุคคลหมายความว่าตั้งแต่พระโสดาสกีนาคาธนาคารเป็นเสขาบุคคลต้องอ่านไปอยู่อ่านยังไม่จบแต่เพราะว่าเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่เป็นอเสขาบุคคลคืออ่านหนังสือจบและ และศึกษาก็จบละไม่ต้องศึกษาอะไรอีกนี่ก็แล้วก็เป็นอสกมีตุกประเภทเสกนะเพราะฉนั้นในศาสนาต่างๆนะเขาเขาใช้วิธีเสกเยอนนะกว่าเรามาใช้จนถึงทุกวันนีงนะเสกคาถาคือหมายเขาว่าต้องเรียนคาถา응เสกคาถาต้องเรียนอยู่แต่พอในพุทธศาสนาใช้ว่าอสาิกคือไม่ต้องเสกละ ไม่ต้องเศษคถ า, าถ้าเศษคถาอยู่เนี่ยขอว่ามันยังไม่แน่เคยได้ยิ น, นยใช่ไหมนิสักได้ยินไ้มเคยเขียนหรือเ่าเสษเขียนยังไงเข่าไก่ ไ, ไม่ถูกนะต้องใส่ขอาไก่มาจะเข้าว่าเสษขาเยเศกบุคคลเศกบุคคลอดยเฉพาะพยานให้หน่อยก็จริงทำ ม, มีสองส่วนนะกูปธรรมวกุปธ ร, รมวย่าลยส่วน บริหารธมัวบริหารนันทภูอนุรักษณ า, า พ, าพักภูปุทุศโนโค ต, ตรภูใช่ไหมพายุประตัวพายุประดัวพระภาขปโนพระปนิยะตัวนิยะตัอันนั้นเลยพูดถึงตัดสินเรื่องเนี้ยว่าอา่ามันมีสองประเภทถ้าประเภทอมักอันนี้ยังกําเริบได้อยู่เพศผลมันมีมักกับผลนะโสดาปรินมักสกีทาคมนนามรักอนาคามรักอหารตามักนี่กําเริบได้อยู่อืคือ มันเดินทางนะสมมุติว่าเราเดินไปทางเป้าหมายไปสู่4กิโลเนี่ยในเนื้อจากจุดเริ่มต้นไปจบที่กิโลที่หนึ่งสมมุติไ ป, ประผสมดาบันเนี่ยจบโสดาผลิผลละแต่ระหว่างทางเนี่ยยังไม่ถึงเป้าหมายกิโลที่หนึ่งอยู่เนี่ยมันโอกาสที่จะกลับคืนได้อยู่โอ้ไก่กูไม่ไปกูกลับดีกว่า ถ้าไปจะเออทีวีทีนี้พอหลุดจากไฮโสดาไปเขตที่สองกิโลที่สองเป็นสกีนาคาใช่ไหมก็เริเดินทางได้กิโลหนึ่งพันกิโลที่หนึ่งแต่ยังไม่ถึงกิโลที่สองกำลังเดินทางอยู่นี่ก็เรียกว่าสกีทาคาร์มีมักกาลังเดินอยู่แต่พอถึงสกีทาคาร์มีผลก็ได้สองกิโลแล้วอันนี้ถ้าในระหว่างกลางเนี่ยจะกำลังกลับได้อยู่กลับคืนได้อยู่เอ้ยังกลับได้อยู่เพราะอะไรเพราะเพราะมันอยู่กลางทางเนี่ย เออเอาแล้วพ้นกิโลที่สามจากพ้กิโลที่สองพกิโลที่สามจากากลิลีค า, า, ามักอนาคาร์มักอนาคาร์มิมักไปสู่ลุงกลารเนี่ยก็ ย, ยังกลับได้อยู่จนไปถึงอ่าอนาคาร์มิผลเนี่ยนะก็ไม่กลับละยังอยู่กิโลนี้แล้วนั่นแต่อ่ะที่ออกจากอนาคารม์มักไปหัตธรรมักเนี่ ย, ย, ยก็ยังกระเริบได้อยู่ ถ้าเกิดไปเป็นในในช่ว ง, งววรังกล่าวก็เกิดอะไรนะเกิดวิปริต<น>วิปราตเลยนะนก็เป็นพระหันวิปราตมีอยู่ใช่ไหมที่เขายังไม่ถึงที่สุดอะสําคัญว่าเป็นที่สุดแล้วก็เทมันก็เริ่มเลื่อนขึ้นมาอ่านี่ก็วิปราตพวกวิปราตนี่ยพวกอยู่ในมรรคอยู่พวกวิปัสณูวิปราตพวกเนี่ยไปอยู่ในมรรคทั้งนั้นแหละเพระเาะฉะนั้นมันก็กําเริว่าพอหายวิปัสณูแล้วสึกเลยอย่างเงี้ยนะเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่ว่าอยู่ในคืออย่างนี้นะ ในเรื่องของบวชเป็นพระเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะมันไม่ใช่เรื่องของภูมิธรรมแต่ภูมิธรรมในตัวคนเนะี่ยไม่เสื่อมแต่เพศนี่เสื่อมเพศเพเป็นเรื่องของวัฒนธรรมใช่ไหมนี่พ้าเหลืองที่เราห่มนี่ไม่ใช่เพศของเนี่ยวัฒนธรรมไทยต้องห่มแบบนี้ใช่ไหมเถรเถรวาทแต่พอไ ป, ไปมหาวิทยาลัยแบบจีนต้องไปใสก่กางเกงนะเอออันนี้อันนี้เราก็บอกว่าไม่ใช่พระเนะี่ยคือ เอาตัวข้างนอกมาตัดสินความเป็นพระข้างในไม่ได้เหมือนเดิแต่ว่าความเป็นโสดาเกีนรตครับค่ยังมีอยู่แต่ว่าเพศนั้นเสื่อมไปตามว่าตัวสธาต่อประเพณีเนี่ยยังมีมากแค่ไหนถ้ารู้สึก ม, มีสธาต่อประเพณีอยู่ก็อาศัยเพศนี้ไปถึงตลอดแต่เมื่อไหรไม่มีสธาในประเพณีแต่ว่ายังมีสธาที่จะรักษาสภาวะภายในอยู่ภูมิธรรมเขาก็ยังไม่เสื่อมภูมิธรรมที่ถึงเป็นของจริงแล้วไม่เสื่อมแต่เพศ ก็เปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมได้หลวงพ่อเห็นท่า น, นว่านี่ถ้าผมใส่ชุดนี้ผมสอนคนไทยไม่ไ ม, ไม่เอานอะผมก็จะสืกผมก็ไปบวชเป็นพระจีนอยงเงี <c oughs> เป็นพระคิดอย่ี่ไหนี่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเราสวมเครื่องนี้เพื่อจะเอยให้สอนคล้องวัฒนธรรมไทยสอนคนไทยได้ใช่ไหมวันไหนชุดนี้ยุสึกโอกเป็นดูแล้วคนไทยเขาเป็นพากรเปคิดเป็นอิสลามหมดแล้วชุดนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยแล้เราก็ไปใส่ชุดชาวบ้านแต่ใจยังเป็นพระอยู่นะ จะเห็นแต่ยังไงก็ตามมันปอดศาสตร์หรื อ, อ น, นิทานเล่าทําให้สับสนอย่างว่าเออถ้าหากว่าเป็นพระหันต้องบวชนะถ้าไม่บวชต้องตายภายในเจ็วันใช่ไหมอันนี้กระเพเนี้ผมข้อเทียนก็บอกว่าคนมันตายภายในเจ็ดวันอยู่แล้วแล่ละมาถ้าเกิ น, นาคารพู้บริหารถือสาวต้องตายวันใดวันหนึ่ง <laughs> ไม่ตายวันใดวันหนึ่งเราไปกวนท า, าไมปีศารรมทำ ถ้าไอ้ทำคำว่าโสดาบันเนี่ยก็คือละสัสงโยชนได้สามใช่ไ ม, มประเทศเอียิปต์อ่ะมันจะเป็นเป็ น, ปนที่เจ็ดในที่อย่างรดแต่จะมีมันยังมีราคาพระโสดา บ, บันนี่ราคาโทสะมูหานี่มีอยู่นะรพระโสดา บ, บันหนึ่งละความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวท่านเองนะครั บ, รบะละไม่สงสัยในเรื่องพจนนตรัยแล้วก็ไม่ยึดติดในเรื่องความ และที่ประเพณีอะไรนะคือยังไงก็ได้บางคนเขามีอยู่แล้วนะโอ้ผมไปเป็นทำบุญกับพวกคิดอิสลามก็ได้พวกวัดบ้านก็ได้วัดป่าก็ได้ไม่มีปัญหาขอให้เป็นคนดีก็ใช้ได้นี่พวกนี้เขาไม่ยึดติดในเรื่องว่าเป็นพระฉันพระของฉันหรือว่ า, านิการมัไม่ได้ยึดติดละเขาก็มีแต่ว่าราคาโทรศัพท์เขามีอยู่พระโสุเดบันแล้วก็พอมาเป็นพอพระโสุเดบันเนี่ยมันลดความเห็นแก่ตัวลดสกิรัติทิฏฐิลงเนี่ยพอมัน เรียกว่าอะไรมันเป็นผลแล้วนะมันก็ทำให้ราคาโทรศัมหามันลดลงเอาตัวนั่นแหละเมื่อไม่สำคัญผิดในตัวตนแล้วเนี่ยความเป็นไปยึดไปชอบไปติดอะไรพิเศษมันก็ไม่มีละมันก็จืดจางลงเองนะนั้นในเรื่องอย่างนี้อย่าไปสับสนระหว่างภูมิธรรมกับวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็ขึ้นอยู่กับประเพณีนั้นๆะว่าเขาใช้ชุดอะไร แต่ภูมิธรรมเนี่ยมันไม่ได้เลือกเขตเลือกวันนะไม่เลือกชนชั้นมันอยู่ข้างในเป็นปรมัตดนะครับกขาวก็เกินดำก็ดั จ, จะูงก่าพระพใช่ภูมิธรมจะสูงกว่าพระพระเราใส่ชุดสีเหลืองเนี่ยภูมิธรรมอาจจะําอย่างเงี้ยนะนี่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมแต่ภูมิธรรมนั้นมาวัดกันไม่ได้มันอยู่เป็นปรมัตดนะดังนั้นในการอ่านตัวเองนะ พัสดวรบันอ่านตัวเองได้ยี่ห้าเปอร์เซ็ตอ่านดูออกยี่ห้าเปอร์ซ็นต์พราคาอ่านตัวเองออกห้าสิบเอร์เซ็นพระนาคาอ่านตัวเองถึงแปดสิเอร์เซ็นต์พระอรหันต์อ่านเองร้อยเปอร์เซ็นลยอ่านทะลุหมดนะอะไรเป็นอะไรไม่สงสัยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คนชอบสงสัยเพราะยังไม่เห็นตัวเองทั้งหมดนั่นแหละถ้าเห็นตัวเองทั้งหมดมันก็หายสงสัย อ่านด้วเองออกบอกเองแล้วหายสงสัยอ่านความชอบใจมันมาสัญญาณอย่างนี้นะคำว่าชอบเนี่ยมันหมายถึงสารพัดอย่างไมื่ว่ามันจะชอบอะไรชอบรูปชอบเสียงชอบขีนชอบรถชอบสัมผัสก็ยังเป็นความชอบใจอยู่ดีชอบรูปเสียงิีนรถสัมผัสชอบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังเป็นตัวชอบอยู่ดีถ้าไม่ชอบก็อ่านออกว่าไม่ชอบรูปเสียงกิีนรถสัมผัสไม่ชอบตาหูจมูกลิ้นกาย ของเราของเขาเนี่ยมันก็จะอ่านดีอย่างนี้ทีนี้ในแง่ของทางกายพระอริยเจ้าไม่มีความรู้เรื่องแพทย์ยนี้นะก็อ่านไม่ได้เหมือนแพทย์เขาแต่เกิดว่าพระอริยเจ้าองค์นั้นท่านเป็นหมอเป็นแพทย์ด้วยนะท่านก็อ่านได้ทั้งทั้งสองทางทั้งจิตท่านก็อ่านออกได้ทะลุหมายถึงว่าเขาปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงขันนะข้นอดีมัชนะขั้นอริยผลเนี่ยก็อ่านได้ทั้งกายทั้งใจ นั้นถ้าหมอถ้าคนนึงออกบวชเนี่ยช่วยสังคมได้เยอะแต่หมอมันกยจะออกบวชได้มันก็มีอัตราว่าฉันเป็นหมอใช่แล้วเนาะมันก็อัตราตนนั้นออกไม่ได้มันก็อ่านได้แต่กายใจอ่านไม่ทะลุอีกนะแต่ในกรณีคนนั้นเขาไม่มีอัตราตนเขาเป็นหมอก็จริงแต่เขาปฏิบัติธรรมจนทะลุเขาก็รู้พงของภาษาภาษากายก็รู้ภาษาใจก็รู้อันนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกคุณสมบัติพิเศษไปนะอ่านตัวเองได้แล้วก็ในแง่ของ เวทนาทางกายเนี่ยมันปรากฏให้อ่านตลอเวลาใช่ไหมลตลอดตลอดคันหูคันตาปวดเพี้ยวปวดฟันแน่นเจลหมูปวดหลังปวดเอ ว, วนนทั้งวันมีทุกคนอากามันร้อนใช่แล้วก็แปรปวนยิ่งแปรปวนก็ยิ่งอ่านยากใช่ไหมอูอ่อานยากอย่างอ่านไม่ออกเลยว่านี่ทำไมปวดท้องมาจากอะไรอ่านไม่ออกอ่านสัญญาณจับสัญญาณไม่ถูกเนีเพราะฉะนั้นก็จะรู้สาเหตุว่าโอท้องเป็นอย่างนี้ อาการข้างในเป็นอย่างนี้วันนี้พอเรากินอาหารแบบนี้ก็จะอ่าน อ, ออกสืบสืบทอดสืบสืบดูสืบ ด, ดูเหตุอรู้ว่าเหตุอ๋อที่ท้องเป็นอย่างนี้ที่อารมณ์เป็นอย่างนี้พราะกินอาหารแบบนี้เพราะอยู่ในสภาพอากาศแบบนี้อารมณ์ถึงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่จะไม่ไปงุนงิงไม่สงสัยในอารมณ์เพราะว่าผู้ปฏิบัติวิปัสสนาแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเขาไม่ดูที่ผลเขาไปดูที่ทเหตุไว้วันนี้ฉันไปกินอะไรมาวันนี้ฉันไปอยู่ ไปทำอะไรมาไปอยู่ที่ไหนมันจึงเกิดอาการอย่างนี้พอรู้สาเหตุป้าเขาก็ทำใจได้โอมันอันนี้เป็นผลทำอะไรไม่ได้ก็อยอมรับเท่านั้นเองเอ่าก็เห็นแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติก็วุ่นวายนะอ่าไม่รู้จากเหตุไม่รู้จากผลวุ่นวายเพราะเกิดความวิตกกังวลความกลัวเพราะเขายังมีสักยะทิฏฐิอยู่<ม>แต่ถ้าพร ะ, พะโสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่มีสักยะทิฐิไม่มี ในสมัยหนึ่งที่ไม่รู้นะเขาเล่าไว้ในในประวัตินะที่ว่าพระพุทธเจ้าห้ามาพระขอของจากพระโสดาบันคนไหนที่เขาไปพระโสดาบันแล้วเนี่ยพระไปขอของพระพุทธเจ้าเปล่าบัตรนะเพราะว่าท่านห้ามขอพระโสดาบันไม่ขอเขาก็ให้อยู่แล้วนะออถ้ายิ่งไปขอเนี่ยเขากา็เรียกว่าไม่เกรงใจอะ่ะไม่เกรงใจห้ามพระปุถุชนไปขอของพระโสดาบัน ถ้าพระเป็นพระเป็นผู้ดชนแต่พระพระสงฆมบัณฑเขาเป็นชาวบ้านอย่างนี้นะอืเขาจะรู้เองว่าเขาจะถวายอะไรกับเราเนี่ยบางทีสิ่งที่เราไปขอไม่ถูกเหมืนเขารู้ใจเราได้ซ้ำไปนะั้อเขารู้ใจแล้วว่าเราต้องการอะไรเขารู้นะดังนั้นเองมีอยู่สมัยหนึ่งอุบาสิกาคนหนึ่งที่ไปถวายของพระพุทธเจ้าไปจําช่วงหนึ่งแกหายหน้าไปแล้าก็ถามหา ว่าเออโยมคนนั้นไปไหนพขป่วยไม่สบายอ่ะเป็นไรอะ่ะได้ข่าวว่าพระไปขอยาโยมก็เลยให้ยาเอา้เอาวนั่นมันเกี่ยวข้องอะไรไม่เเพราะว่ายาของพระที่ไปรักษาล้ว น, นเป็นเนื้อมนุษย์าวัชิการนะ์เนียเฉียนเนื้อหน้าขาถวายอาหารปรุงไปในอาหารถวายท่านไปโลกเชนิดีพระเป็นนะต้องการกินเนื้อมนุษย์หรือังหายเหมือนกันพระลูกนั้นก็เลยไ ป, ไปบอกโยมโยมคนนั้นก็เลยเฉีย น, นเนื้อหน้าขาไปปรุงอาหารถวายท่าน แล้วก็ท่านก็แผลอักเสบไปวัดไม่ได้นนก็เลยว่าผู้นิจเจ้าก็เลีกเยกเข้องนั้นมาป่าวบัตว่าต่อไปอย่าไปขอของกับพระโสดาบันขึ้นไปนะพระฤๅ บ, บุคคลเนี่ยไปขอไม่ได้ป่าวบัตนะนั้นจะเห็นว่าอการที่ไม่มีสักญาทิฏฐิเนี่ยหมายถึงว่าถ้าให้ได้ทุกอย่างลนะแล้วนะเราก็ดังคําว่าเป็นพระโสดาบันไม่ได้หมายถึงว่าจะ เป็นกันง่ายๆเท่าไรมันจะต้องมีการเสียสละขนาดนั้นคือไม่เสดมจสดายนะเขาของของตัวเองก็เหมือนของคนอื่นเงินทองนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าจะจับหรือไม่จับนะีวางเลียราดไปทั่วเลยได้มาก็ใครจะเอาไปก็เอาไปเไนะีบางท่านจะไปใช้ประโยชน์นะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมันมันมันคล้ายๆว่ามองแล้วมันก็คือสิ่งที่จะทําให้เกิดเสี่ยงต่อ อะไรเนี่ยก็ไม่ให้ความสําคัญนะแต่ให้ความสําคัญต่อภูมิจันทร์คืความสะอาดของจิตคือรักให้เห็นความสําคัญของความสะอาดของจิตใจเนี่ยเหมือนแก้ววิเศษไม่อยากจะให้มัวหมองทํานองนั้นนะเราก็พยายามรักษานะดังนั้นการประพฤติภูมิจันทร์ที่จะขัดให้ขาวเพียงดังสัง่งเท่าไหรมันยากอย่างนี้เองนะเราใช้ขัดเกาอยู่เรื่อยๆ ด้วยการขัดเกาที่ที่จิตของเราเนี่แหละในการที่จะขัดเป็นก็คือจะต้องอ่านออกว่ามนทินที่จะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองไม่สบายเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างมาจากกายทางไหนบ้างมาจากใจทางไหนบ้างมาจากอารมณ์ตัวไหนบ้างเนี่ยค่อยสอดส่องดูแลไปเรื่อยๆนะดังนั้นเองเวลาเราปฏิบัติเราก็จะดึงให้โอจะสามทุ่มแล้วนเนาะฟอินไปนมาเราจึงให้ความสำคัญ เวลาที่เราไปทำความเพียรเราจะเอาเวลาไปเล่นครับเอาเวลาไปเสาะทำไปสักพักหนึ่งเมื่อยก็นอนเล่นก็ดีคล้ายเด็กๆก็ไม่ได้นะไอโยมเานาะนั่งไม่ได้ก็นอนทำใช่ไหมนะนอนทาก็หลับไปเลยใช่ไหม เมื่อใดกิเลสมันหลอกให้นอนนะฮะเมื่อนอนทำก็ได้กิเลสผมหลวงพ่อบอกว่ายืนเดินนั่งนอนทำได้นอนนี่อนุ ญ, ญาตให้ตอนนี้เนี่ยหลังสามทุ่ไปนอนปฏิบัติได้เลยทั้งคืนไม่ว่ากันแต่ว่าอาหารนี่โอโ้โหมันไปดูประทานเนี่ยหลังอาหารแล้วตามันยังไงก็หนักนะหาทางออกมันให้ได้ก็แล้วกันไปอยู่กับที่นะเพะฉะนั้นในช่วงเย็นวันนี้ก็คุยกันเพราหรับคนรู้ทางแล้วหลังทานอาหารแล้วก็ ประมาณบ่ายโมงบ่สองต้องหาเรื่องไปทำคนอีกแบบหนึ่งตะปีบัดมาขอ อ, อะไรเพิ่งนึกขึ้นได้คุณโอ้โหลวงพ่อจะเลิอกอยู่แล้วเนี่ยเงเอามาก็ใช้วิธีว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะท่านเข้าแล้วเนี่ยมันต้องง่วงใช่ไห ม, มแล้วต้องหาเรื่องต้องหาเรื่องทําอย่างอื่ น, มน<อ>ผมก็ไปกวาดใบไม้ว้างไปยก<ไ>ปหินวางไปซกักผ้าวางสักพักอะไรไปมีผมไปฮาวายผมไปเปิดอารมณ์ที่ฮาวายเมื่อเดือนเดือน ที่ก่อนไปไปเที่ยวแล้วเนี่ยไปเที่ยวแรกที่ไปเปิดอารมณ์ที่ฮาวายวัดวัดชื่อว่าที่ชื่อแปลกวัดพุทธศักดิ์สิธินั่นนะมันมีน้ําตกพุทธศักดิ์สิทธิ์บ้ลาวปรากฏว่าจเจ้าอาวาสเนี่ยคือหลวงพ่อปานขาวปเป็นเจ้าอาวาสทีนี้คนลาวเนี่ยเขาทําบุญเยอะนะอาหาราร้านข้าวต่างๆเนยเอะเต็ไมไปหมดทีนี้พระท่านก็ต้องพระน้อยใช่ไหมแต่อาหารมาเยอะทําไงพอทานแล้วท่านก็เลยพราะวัด มันมีคลองผ่านมาจากท้งตกหันวัดเนะในคลองเนี่ยหินในคลองเนี่ยถูกจับขึ้นมาใช้ทั้งหมดเลยเพราะหลังจากฉันเสร็จแล้วนะักก็ไปยกหินทุกวันในในวัดมีแต่หินทำํำนู่นทำนี่แกง่วงอ่าในวัดมีแต่หินเรียงเป็นอะไรต่างๆตามถน น, นตามทังดอกไม้งถังนะกุฏิอะไรก็มาหินทํากันอ้าทําไมขึ้นมาได้ไบอกว่าพาไปขนมาโอ้ทำไมขนกันได้ขนาดนี้เพราะตอนฉันข้าวมันง่วงงงกันเออ หลวงพ่อปานขาวพาพระอาจารย์ดาวิจำพรรษาที่นั่นแต่พอดีช่วงที่ตะวันตกผมไปจัดอบรมที่ น, นท่านไปฝรั่งเศสนะผมก็เลยจะทำที่นั่นเอาคนเราประมาณยี่สิบเกือบสามสิบคนนะทำเนี่อากาศดีมากเลยด้านหน้าเป็นชายทะเลด้านหลังเป็นหุบเขาเป็นน้ําตกก็เลยว่าสะระยะดก็ดีดังนั้นวิธีแก้ก็คือต้องหาอะไรทําสักอย่างนึ่อย่าไปอยอมจํานวนนะ เพราะนั้นก็ขออนุโมทนาครับวันนี้มันาพากก็คุยกันเรื่องเบาๆ เ, าเพื่อยะนาไปพิจารณาในการปฏิบัติให้เกิดศรัทธาเกิดปัญญาสามารถอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกเราสามารถจะปลูกฝังสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเดียวกันทุกคนทุกท่านเน